คนเก่าก็นั่งปฏิบัติธรรมกันคนใหม่ๆก็อาศัยการฟังภาไดนน้อมจิตน้อมใจให้เกิดความศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าทำดีมันก็ดีทำชั่วก็ชัว่วทำกรรมฐานมันเหนือดีเหนือชัว่วเมื่อเช้าตอนที่ฉันเช้า ทันจานไปสารกลับมาจากประเทศจีนก็เลยวังว่ามีเด็กนักเรียนที่ประเทศจีนก็เรียนมากสองมันทนแต่่าเหตุการณ์ขึ้นเหมือนเหมือนกันก็คือคิดมากคเครียดแว่าตัวตายเพราะว่าบางทีอาจารย์ยูกิ ไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นลนักษณะของประชาชนชาวญี่ปุ่นาค่าตัวตายปีละ 35,000 คนเฉลี่ยวันก็หลายคนอยู่ทั่วโลกทุกๆ40นาทีมีคนค่าตัวตายหนึ่งคนเป็นสถิติขององค์การอนามัยโลกก็ทำให้เราเห็นว่าออ ความคิดนี่เปรย์ไรในตัวนะหรือว่าเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะนะคิดแล้วโลบแล้วกอดแล้วหลงนะคิดไปอดีตคิดแล้วก็แปรอนาคตนะมันเป็นไพนะ่พอเรารู้เท่ารู้ทันนะความคิดมันก็ไม่ได้มีอํานาจมีพลังทํำนะไมเราต้องทุกข์นะําแล้วซ้ําอีกนะนะตรงนี้นเป็ น, นกลไกของนะนะการปฏิบัติ ที่เรีกาการฝึกสติหรือว่าเจริญสติปัฏฐานทําให้เราสามารถที่จะออกมาเห็นตัวเรากําลังคิดกําลังพูดกําลังทำแลว้วาเห็นธรทำเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติของกายของใจที่มีอาการต่างๆมากมายแต่ว่าคนที่ไม่กลับมาเฝ้าดูตัวเองก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว่าอาการต่างๆกำลังแสดงออกกอบงามีอิทธิพล จะนั่งก่ะตัวเป็นอารมณ์แล้วเราก็ทำตามอารมณ์หลงไปสู่รสชาติต่งตางๆหูจมุลิ้นกลใจเกิดความพอใจไม่พอใจเราก็จึงลกลับมาศึกษาดูอาศัยบรรยากาศสิ่งแวด ล, ล้อมกาลยมิตรเพื่อเกิดกาลยานธรรมการเดินทางที่มันยิ่งๆิ่งขึ้นไปได้ว่าะะการเคลื่อนไหวแบบแนวเคลื่อนไหวนะ หวงู่เทียนเจียวโพได้ต่อประกาศชี้นําสังกระแสให้คนที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดแก้ปัญหาชีวิตโดยการพึ่งตัวของตัวเองเราไม่ต้องพึ่งภายนอกยาหรือว่าลักษณะของจิตแพทย์จิตวิทยาที่ทำให้เราเนหะมือนกับว่าใครเครียด ให้ยาแล้วเราก็นอนหลับยากล่อมประสาทอันนั้นเป็นหลักของจิตวิยาเพรเราใช้จิตตภาวนาทางทวันออกเราได้เห็นว่าองค์สมเด็จสัมมาจ้าได้สอนแล้วก็ชี้นําเอาไว้ชัดเจนให้มีสติไปในกายากรู้กายเห็นกายทางความเป็นจริงมันนั่งมันเดินมันยืนมันนอนเห็นแต่ละขณะมันทําอะไร มันหันใจแหลวกขวามันขยับเนืนข้ขยับตัวก็ปิดตาหายใจแต่เราได้เห็นอย่างนี้ก็มันจะเป็นการเห็นที่ถูกหรือว่าเวลาจิตมันเกิดอารมณ์ต่างๆทำอารมณ์ต่างๆหรือว่ามันคิดนึกปรุงแต่งรู้เท่ารู้แทนเราก็ไม่ต้องตกเป็นาทาสของความคิดทุกข์เพราะความคิดคิดล้วโกรธคิดแล้วก็โลภคิดแล้หลงคิดแ ล, ล้วรักคิดล ะ, ะชัง คิดเราก็ไปอดีตคิดเราก็ไปในอนาคตคิดเราก็วิาพากษ์วิจารณ์ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมก็ทํากับเราทําไมก็ไม่เข้าใจเรามันมีแต่คถามก็ทําเราครั้งเดียวแต่ว่าเราเก็บมาคิดว่าทําไมก็ทํากับเราทําไมทำไ ม, ำไมวนละหลายหลายครั้งตัวนี้แหละให้ตําหนิตัวเราเองกลับมาดูตัวเราเองเราเห็นว่าไม่มีใครทําให้เราทุกข์นอกจากตัวเองทําตัวเอง มันเห็นไม่ถูกแต่เห็นถูกมันก็ไม่ทุกข์เช่นพลิกมือนะรู้สึกตัวนะเห็นถูกเคลื่อนมือไปรู้สึกตัวเนะีนะ่ยเห็นถูกเห็นอย่างเนี้ยมันเห็นของจริงเห็นตัวเราเองแล้วก็ความคิดนะมันก็ไม่แสดงอํานาจแสดงพลังออกมาให้เราได้ทุกข์เพราะว่าจิตกํนะาลังได้รับการฝึกให้ออกมาจากความคิดแต่ละขณนะ แต่ว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความคิดที่มันครอบงาเรามาทั้งชีวิตจนเป็นภพภูมิคิดแล้วก็เกิดอาคาติก็เป็นสา ร, ริจานคิดแล้วโลกก็เป็นเปรตคิดแล้วโมโหโกสธกงดหงิดก็เป็นสรรัตว์นรกคิดแล้วขี้ขาดตาขาวหวาดกลัวสะดุง้งหวาดผวางานเป็นอสู ร, รกายคิดแล้วใจดีอยากให้อยากเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นเทวธรรมเป็นเทวดา คิแล้วก็มีเมตตาก็นานเมตตาแบกขาก็เป็นพรมแต่คิดปับ๊บรู้ปุ๊บนะเกิดเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาคิดแล้วพูดคิดแล้ทําถูกต้องอันนี้ก็เป็นพระมีกําลังของสติของศีลสมาธิปัญญามันเป็นพระจิตใจมีกําลังใจขึ้นมามันก็จะไม่พอแท้เบื่อเสงไปกับโลกใบนี้มันก็ เห็นโลกตามความเป็นจริงชัดเจนเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลอันนี้แหละมันจะทําให้ชีวิตเราเกิดความมีวัฒน์พัฒนาขึ้นมาไปสู่ความสุขสวยรวยดีแล้วก็เห็นความจริงจริงๆของโลกใบนี้กายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจต้องพัดผ่าจากของแลของชอบใจเป็นความทุกข์พัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันเป็นความทุกข์แล้วก็ฝึกจิตฝึกใจเราให้รู้ เห็นตามความเป็นจริงเบื้องต้นก็ต้องฝึกเห็นรูปธรรมตามความเป็นจริงก่อนออทั้งหัวจรวดเท้าร่างกายขอยงเราฟัางศอกยาวหนาขึ้นให้เห็นความจริงของมันจะใช้ชีวิตอย่างไรเช่นเวลานี้เราก็มาทําวัดสดมอนอันหนึ่งนะเป็นกิจวัตรของชุมชนแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ไปพึ่งโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไปพึ่งดูหนังดูละครฟังเพลงต่างๆเดีสีตีเป่าดูการละเล่นกีฬาต่างๆ เราก็มาดูกายดูใจของเรานี่ยแหละสวดมนต์เอาคําดีๆมาสวดเป็นคําจากองค์มสมเด็จสามมหาเจ้าเลว่าจากพระโอษฐ์ทีเดียวกุตกามิกายเอามาสวดน้อมก็ไมายเสร็จตัวเห็นจริงหรือไม่ไงางเช่นว่ากัลนามิตรเป็นทั้งหมดของพรมจันที่เราสวดกันกัลนามิตรหมายถึงคนที่เราพาไปสู่ความไม่เสื่อมจูงมือไปสู่ความไม่เสื่อมนะ น่ารักนะครับลบน า, กนากยกย่องอดทนต่อกันชี้แจงและพูดคุยในรายละเอียดที่ลึกซึ้งแาบซึ้งเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานกลามิตรพาให้เจอกับกาลยาณธรรมก็ะม่มถึงว่าสามารถพึ่งตัวเองได้ต่อไปเราพึ่งบุคคลหนึ่งสาหรือว่าวัตถุหนึ่งสอสอันนี้เป็นการพึ่งนอกตัวแต่ว่าพึ่งในตัวก็คือต้องใช้ สติปัญญาที่มันมีอยู่นะสุดจกนกระทั่งมันพึงได้จริงๆเรียกว่าการยานธรรมอันนี้ไปไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมทองโลกกว้างไปที่ไหนก็เจอแต่ความผาสุกมีศีลมันก็มีธรรมมีสติมันก็มีปัญญาแต่ว่ามันเกิดมาจากความรู้เนื้อรู้ตัวใต้าวาใจของเรามันมีสติเรกรู้อยู่กับกายผลลัพธ์เรื่องอ น, นี้ส่งมาจะเกิดความเป็นปกติของจิตของใจเรา แต่ถ้าว่าใจของเรานะ่ยมันหลงสติไปอยู่กับความคิดไปอดียไปอนาคตมันก็ทุกข์ได้ใหม่เกิดขึ้นไหมคิดถึงการพัดแพร่ก็เสีย อ, อกเสียใจผ่านมาแล้วมันยังเสีย อ, อกเสียใจก็คือมันไม่อยู่โลกขงความเป็นจริงที่ปัจจุบันขนาดโลกของความเป็นจริงขนาดนี้มันกใก้ผลเราโลมากระทบตาเสียงมาทบที่หูเป็นความจริงขนาดนี้จริงๆ อย่างเช่นเสียงลิ่ดลิงเลไล่ยามค่ํานี่มันคือความจริงมันเป็นบทเพลงของขุนเขาบทเพลงของป่าเขาลํำน้ำไปที่มันกล่อมโลกอยู่แลว้วก็เก็บเกี่ยวซึมซัพยบความสุขที่มีอยู่ขนาดนี้ขนาดนี้เป็นความสงบสุขเป็นความสุขที่มีอยู่จริงๆตามธรรมชาติความเย็นอากาศไม่ต้องพึ่งห้องแอร์ เป็นอากาศที่บริสุทธิโอโซนโอสามอย่างนี้นะฝนตกมาใหม่ๆนะใบ ไ, ไม้ก็คายออกซิเจนออกมาอย่างนานแน่นะหายใจก็โลง่งมันเป็นความสุขนะที่มีอยู่จริงๆในโลกใบนีนะ้ไม่ต้องไปกินเหล้าสูบบุหรีนะ่ไม่ต้องไปหาโนะดมกาวดนทินเนอะติดสิ่งเสพติดต่างๆนะมันก็เป็นพลังที่พาไปสู่นะความดีความงามแล้วไปสู่ความสุขกเกษมสารอย่างแท้จริงเราก็สัมผัสได้ขนาดนี้เลยทันที รู้ว่ามันสามารถที่จะสัมผัสนะรายละเอียดลุ่มลึกลงไปตางกําลังของสติของปัญญาเช่นสัมผัสกับธรรมชาติไปในตัวเราเนชะ่นนั่งมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยกายเราแต่ใจไม่ทุกข์หนะรือว่าจิตใจของเรามันมีความคิดแต่เราก็รู้เท่ารู้แทนอย่างเงี้ยไม่หลงหลุดไปในความคิดนะอันนี้ก็เป็นความสุขอีกชนิดหนะึงหรือ ว, ว่าความสุขที่จริงเราคืนสู่สภาวะปกติหรือนวะ่า สุขที่เกิดจากเรารู้รอบกองสังขารกายย่สังขารจิตต์สังขารมีความรู้เนื้อรู้ตัวกายของเรามันมีธรรมชาติเกิดดับอยู่เวอร์บรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาเราก็รู้เท่ารู้ทันเราก็มีความสุขใช้กายอย่างมีความสุขใช้วาจาอย่างมีความสุขใช้จิตใจอย่างมีความสุขเรียกว่าเราสามารถที่จะจะคิดจะพูดจะทำเกิดพัฒนาการขึ้นมาไม่เดือดเรียนตัวเอง ไม่ได้เบียบเบียนผู้อื่นเป็นปกติสุขใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอันนี้แหละมันเกิดจากการฝึกตนสอนตนวิชากรรมฐานพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวเคลื่อนไปวางที่สะดือรู้สึกตัวเป็นรูปแบบการฝึกการหัดจิตของเรากายเคลื่อนไหวแต่ใจรู้กายเคลื่อนไหวเป็นพลังของกายแต่ใจหยุดรู้มันนิ่งรู้อยู่มันเป็นสมาธิอยู่อันนี้ เป็นกําลังของจิตนะมันก็จึงสมดุลใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะเดินไปไหนมาไหนมันก็เป็นปกติได้แต่ว่าผู้ใหม่ก็พยายามใช้รูปแบบใช้การฝึกการหัดในสถานที่สักหน่อยมันจะดีเพราะว่าตาเขาลําเคยหลงไปทางตาหูเคยหลงไปทางหูวจมูกได้เกลี่นลิ้นเล็มรด มันก็เคยหลุดหลงไปจนกระทั่งติดเป็นจริตนิสัยต่างๆพอเราฝึกเป็นที่เป็นทางตาไม่ดูได้ก็ไม่ดูหูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังเรื่องสํารวมเสร็จแล้วพอรู้สึกตัวก็ยิ่งสําบูรณ์เดินไปไหนรู้สึกตัวมีกายของเราอยู่กายอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นกายทำอะไรใจก็ทําด้วย mm hmm. เคลื่อนไหวปั๊บก็รู้ทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะกลายเป็นคนที่มั่นคงขึ้นมา กลายเป็นคนที่อบอุ่นกับตัวเองได้กลายเป็นคนที่ไม่วันไหวกลายเป็นคนที่มีหลักใจใจเขาลมันมีหลักมีที่อยู่บานของจิตก็คือปกติสุศกทุกทุกไม่ใช่บานของจิต น, นั่นเป็นลนักษณะของภพภูมิอบายภูมิหรือว่าสุขติภูมิแต่ว่าลักษณะของสุขโตไปแล้วด้วยดีจิตที่ปกติตรงนี้ มันเกิดจากการที่เราสามารถที่จะมีสติเห็นกายตามความเป็นจริงรู้รู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงเรียกว่ากายยานุปษษัสนาสีปทานมีสติเห็นจิตจริงๆเวลามันคิดนึกปรุงแต่งอาการของจิตเป็นยังไงจิตปกติเป็นงไงที่พระพัฒสอนผ่องใสจิตเท่ำแท้นะกับจิตที่มันปรุงปรุงแต่งแต่งไปตามจริตนะความอยากความรู้ความโกรธ ค, ความหลงความรักความชังเป็นยังไงมันเป็นภพภูมิที่แดงออกมา ว่เกินกลับมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวนะการเคลื่อนการไห้แต่ลนะขณะถูกรู้ถูกเห็นกนะ็มีสติเห็นจิตได้ว่าจิตตาโนปัสสนาสติปทานนะอย่างนี้นจกกังกระทางสติรู้สติก็ตามนะก็เรียกว่าทำ ม, มานุปัสสนาสติปฐานสามารถเห็นสตนะิมันเป็นเศษยังไงมันปกติยังไงเห็นจิตของเรามันมีสมาธิยังไงมันตั้งมัน่นมั่นคงหนึ่งเดียวแน่ๆไปยังไงเห็นมันเป็นปัญญายังไงเวลามันผ่านอารมณ์ รู้ว่าได้ทําหน้าที่ถูกต้องตรงไหมมีความดีไหมในการกระทํามีความถูกต้องไหมในการกระทํามันเกิดประโยชน์ไหมในการกระทําคิดพูดทำนี่ น, นะรือว่ามันดับทุกได้ไหมขณะคิดขนาดพูดขณะทําหน้าที่ต่างๆไม่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเกิดการแบ่งปันเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่จะดํำหรือว่าประโลกตัเองขึ้นมาทําอะไรแต่ละอย่างก็เรียกว่าไม่มีกรรม มันมีธรรมชาติเป็นการแสดงออกที่เป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์เร็วพระเป็นการประพฤติปรมจันอย่างศีลข้อสามอยู่วัดถุวาก็บอกไว้นะว่าพรหมจริยาเวรามนีสิกขาประทางสมาธิยาะก็คือเจตนาเว้นการประพฤติอันไม่ใช่ปรมจันก็คืออะไรที่มันจะเกิดความไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ทำํำ สมบูรกายว่ า, าใจกันรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวขณะปฏิบัติขณะฝึกกันเราก็ได้เห็นความจริงแต่ละขณะแต่ละขณะที่เราฝึกหัดตรงไปตรงมาเช่นะคนเก่าๆที่มาฝึกอยู่วันนี้ที่ฝึกเห็นไหมอากาศโมโหมั ว, มวๆฝนตกเนบางทีมื่มเราเริ่มมาวันแรกวันที่สองเราเห็นอาการง่วงไปเดี๋ยววันนี้วันระทำมันจะมาทันทีเลยเวลาซึมซับสัมผัสกับธรรมชาติที่มีพลังนะ ถ้าว่าร่างกายจิตใจของเราพลังไม่พอมันจะอ่อนเปลี่ยไปเลยเดี๋ยวว่าปรับสมดุลนะเข้ากับสิ่งแวดล้อมก่อนเราก็ฝืนถ้าเป็นลรื่องของนักปฏิบัติเราก็ฝืนทวนทันทีมันง่วงเราไม่นอนมันง่วงขนาดไหนก็ตามเราก็ตื่นตัวปลุกจิตให้ตื่นเดี๋ยวกลางคืนคขอนอนอย่างนั้นหรือว่าช่วงพเพลเพลเพล่เน้นเป็นวัยที่เด็กขนาดไหนนอนหลับขนาดไหนผู้ใหญ่ก็ต้องปลุกขึ้นมา เพราะว่าเป็นเวลาผีตากพระอ้อมถ้าเด็กนอนตอนช่วงสี่โมงห้าโมงหกโมงเนมันจะซึมไม่ป ล, ดปลอดโปร่งและที่สำคันก็คือตอนสามทุ่ ม, มันจะนอนไม่หลับเราไม่ควรนอนกันเกินสามทุ่มนาฬิกาชีวิตส่วนประมาณตีสามตีสียามสามนี่ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าพลังงานมาที่ปอดต้องตื่นมาหายใจชีวิตจะยืนยาวต้องเปิดตื่นขึ้ น, นมาแล้วากายบริหารมันจะเกิดพลังชีตขึ้นมา หลังจากนั้นประมาณสักหกเจ็ดโมงมือจะมาที่ลำไส้ใหญ่จะเกิดอาการขับของเสียปิดตัวเองก็ต้องขับถ่ายทําให้ลำไส้มันพร้อมที่จะกระเพาะให้มันว่างพร้อมที่จะรับอาหารอาหารจะเดินทางมาที่กระเพาะมือจะมีเ ว, มเวลาของมันนะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละเวลาเวลาก็ต้องใช้ชีวิตกันก็มาสังเกตนะ ธรรมชาติของกายของจิตกันบางทีมีอาการเจ็บปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเวลาปฏิบัติเดินจงกรมยกมือสิบสีชังงวับางทีจะคิดแว บ, บไปเราก็เอากลับมาเนี่นะมันคิดไปไหนก็ตามไปทางหูทางตาตาดูก็คิดต่อปรุงแต่งต่อหูฟังคิดต่อปรุงแต่งต่อเรากลับมาสัมผัสรู้กระทบรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยต้องฝึกใจของเราไม่ให้ไหลไปตามความเคยชินนะ เราเคยเห็นตัวเราเนะมีอาการต่างๆมากมายเหลือเกินบางทีมีความลังเลสงสัยเอ๊ะทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะวางใจอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะะสงสัยเอ๊ะพระเจ้าทําอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าทําอย่างนี้นะมันจะไปยังไงกันต่อไปบางคนนี่ติดนะพุโทโธสามมาละหังหยุบหนอพองหนอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าบริกรรมอะไรมากมายเหลือเกินบางทีมันก็ติด เป็นผลจากการฝึกหัดที่เราเคยฝึกหัดรูปแบบต่างๆมาพอเราจะทิ้งมารู้สึกตัวในรูปแบบแนวหลวงปู่เทียนเราเห็นว่ามันก็คิดอยู่นั่นบางทีก็เห็นหนอเรียกยกน้อย่างหนอเหยียบหนอกดหนอหนอก็ตามมาอันนี้นเป็นความคิดเป็นคำบริกรรมแล้วก็ไม่เอาไม่สนใจให้ตัดกลับมาหาสัมผัสรู้ซื่อการเคลื่อนไหวหรู้ซื่อ ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีสองตัวเกิดขึ้นมาคือภาวะของผู้ดูตัวรู้สึกเฉยๆนะกับรู้สึกที่ฐานกายผัสสะที่กายกายยวิทญาณระบบประสาทของกายกระทบสัมผัสสองตัวเนี่ยชัดๆนอกจกนั้นมันเป็นความคิดอย่าไปสนใจมันแต่ว่าไม่ห้ามมันพอมันคิดขึ้นมาก็รู้แล้วคือขยะหรือเรียกว่ามลทินเครื่องเศร้าหมองที่มันตกตะกนอนนอนเนื่งในจิตใจของเราจนถึงเกิดจั้ึงถึงปูนนี่มันก็เก็บขยะ ประทับใจไม่ประทับใจหมักหมมเอาไว้ในบัญชีแผ่นทองคํำก็เรียกว่าทําบุญทําดีมาแล้วว่าบัญชีหมังหมาเน่าหมังหมาเน่าหมายถึงว่าเคยคิดเคยพูดเคยทําอะไรที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นมึงจะแสดงออกมาความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่เราไม่ชอบความรักความชังะคนที่เรารักคนที่เราชังต่างๆแสดงปรากฏออกมาอันนี้ละของดีนะ เราตัดกลับมารู้ความรู้สึกตัวเมื่อมนตินเครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นมาสิ่งสโครกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ชําระล้างทันทีื่อนะทีมีการบางทีก็มีพยาบาทแสดงออกมานะในรูปรอยของความคิดนะอันนี้แหละมันทํางานไวมากนะถ้าเราเคยฝึกเคยหัดมาเราเห็นมันคิดทั้งวันนะยิ่งมีสติมากยิ่งคิดทั้งวันเห็นทั้งวันนะนะเพราะนั้นวิธีปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนเราไม่ต้องการความสงบนะนะถ้าเป็นความสงบก็คือคิอคดปั๊บ มันรู้ทันแล้วก็หยุดบ้าน่ะคือความสงบสงบความคิดสยบความคิดได้บางทีน่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นมาลํากันก็ไล่เราไปเวลาสติอ่อนๆนแต่พอเรารู้เท่ารู้ทันปั๊บสติมันตามทันมันก็จะหยุดทันทีรู้กลับมารู้สึกตัวปั๊บสติมันก็จะเกิดทันทีแล้วความคิดก็จะหยุดทันทีอย่างเนี้ยเราจะเห็นลอยนะของสติของสมาธิปัญญาทิมปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณะ ปฐุชนคนทั่วไปนะที่ไม่เคยฝึกสติเจริญสตนะิก็เหมือนกับแม่งเมาบินเข้ากองไฟนะหรือว่าปลานะที่คนตกปลาเ็เกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะล่อหนะลังจากนั้นปลาเห็นเหยื่ยอไปฮุบเนะมื่อมันกินเหยื่อมันก็โดนเบ็ดเกี่ยวเหงือกอย่านงะีนะ้ทุกครั้งนะที่เราหิวความทุก หรือว่าหิวความสุขที่มาในรูปรอยเหมือนกับว่าความทุกข์มันแสดงออกมาในรูปรอยของความสุขอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความสุขที่มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นลักษณะของความสุขที่เราเสพแบบขาดสติมันก็เป็นวัตถุกรรมกุที่ติดยึดทําให้เราเสพแล้วก็ลุ่มลึกลงไปต้องหาเงินมากขึ้นประณีตมากขึ้นทํางานหน่ายยากอาบเหงื่อต่างน้ํา แตท้ายสุดก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นความทุกข์อยู่ดีในท้ายสุดทุกเพราะลูกทุกเพราะบ้านทุกเพราะงานทุกเพราะทรัพย์ทุกเพราะหนาสังคมครอบครัวทุกเพราะว่ามีสุขภาพไม่ดีต่างๆมากมายอันนี้แหละหรือว่าทุกเพราะว่ามีทรัพหนึ่งสองสามี่ห้ามากมายแล้วกันมันก็เหมือนกับเราไปยึดเอาไปุบเอาความสุขแล้วท้ายสุดกลายเป็น ความทุกข์ที่มันแถมให้หรือว่าหลวงพ่อครูบาอาจารยนะ์ที่ท่านเปรียบเทียบไปว่ามันก็งูตัวหนึ่งนะเวลาจับหัวงูงูก็กัดเวลาจับหางงูงูก็กัดอย่านงะนะคือไม่ว่าเราจะจับนะตรงไหนมันก็โดนกัดทั้งหมดนะจับสุกมันก็เป็นความทุกข์ไปจับเอาความทุกข์มันก็เป็นความทุกขนะ์อย่างนีน้หรือว่าเปรียบเทียบกับว่านะคบเพลิงความ ผู้ทชนคนทั่วไปจะถือคบเพลิงที่เป็นฟางและท้ายสุดก็คือมันจะมีคำเหมามันสว่างอยู่แต่ว่ามันจะมีคำเมาลนมะัมาใส่ตัวเราแลอวเข้าตาเรามันสว่างแต่เป็นความทุกข์บางทีก็เป็นสะเก็ดร้อนๆใส่ที่แขนที่ขาของเราหน้าตาของเราทั้งเนื้อทั้งตัวก็เป็นผู้พองได้อันนี้ก็คือเรืนะ่องของความสุขของผู้ทีชนที่วิ่งไล่ลากันท้ายสุดก็ไม่ใช่ ไราจับเงาตัวเองแต่ก็จับไม่ได้สักทีเหมือนกับเราพยายามยืนขย eng แล้วเอื้อมมือไปจับแล้วก็ไม่ถึงเหมือนก็จะถึงแต่ก็ไม่ถึงมันก็คือความสุขจอมปลอมที่มีอยู่ในโลกใบเนี้เราก็ได้เห็นกันาดเราฝึกสติโอ้มันมีสุขที่เหนือฟันนั้นสุขจากความสงบก็มีนในความสงบมันมีความสุขให้เราหรือว่าสุขที่เกิดจากะปิติสุขบางทีก็มีความอิ่มใจความซาบซ่าน แท้ยสุดก็กลายเป็นความสุขให้เราก็มีหรือความสุขที่เกิดจากสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นมันก็เกิดขึ้นมาหลายคนเอาไปเป็นเกมกีฬาขับรถเร็วๆขับรถแข่งลุยปินเขาเสี่ยงตายมันก็เป็นลนักษณะของคนที่มีจิตใจแน่วแน่แล้วก็มีสมาธิกับการทําอะไรสักอย่างเล่นด น, นตรีรทั้งนี้แล้วท้ยสุดก็บอกว่ามีความสุขหรือว่าเป็นความสุขในระดับที่ว่า มีปัญญานะเกิดวิปัสสนาขึ้นมามันก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นความละเอียดแล้วก็ลุ่มลึกนะสามารถอยู่กับตัวเองได้เนะพึ่งตัวเองได้มากมีกายเพึ่งกายได้มีจิตใจเพึ่งจิตใจได้มันแปลน่าของอารมณ์ภายในใจเราเรียกว่านิลามิสุขนคะมันมี่ยึดตัวนึงสองสามบุคคลทั้งสองสามอารมณ์ิสุขนะตรงนี้นมันมีอยู่มันซยูใ่ในเรา รัาศดาธรรมเรียกว่าวสุขที่เกิดจากความเป็นปกติของจิตเรียว่านิพานที่เราจะต้องมาชิมมาลองทํำกันดูมีเวลาเท่าไหร่ก็ลองฝึกหัดกันดูนะตรงนี้ที่นี่ก็จึงเป็นวัดป่าสุขโตเป็นสถาบานันเจตพฐานที่เชิญชวนให้คนทุกคนมาเรียนรู้รับรู้รับทรา บ, บ, บแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในชีวิตของใครของเรากันต่างคนต่างช่วยตัวเองกันเพราะว่าท้ายสุด ไม่มีใครให้เราเพึ่งได้สักคนนอกจากตัวเองต้องพึ่งตัวเองอยู่นี่นะท้ายสุดคนที่รักเรามากที่สุดก็ก็ไม่ได้รักเราจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะะเช่นพอแม่เขารักเร า, เรามากที่สุดท้ายสุดบางทีเขาตายจากเราไปก่อนหรือว่าเพื่อนเราบอกว่ารักมากที่สุดบางทีก็าจากเราไปก่อนสามีญาติบอกรักกันไม่สุดบางทีก็จากเราไปก่อนท้ายสุดพอเวลาเราจะขาดใจตาย เราก็ต้องพึ่งสติปัฏฐานเนี่ยะไม่ได้พึ่งเงินพึ่งทองอะไรเลยเพึ่งสติที่มันมีอยู่สมาธิที่มีอยู่ปัญญาที่เห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นร่างกายของเราน่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตามความเป็นจริงมันเห็นก่อนแล้วก็เห็นจิตใจของเราที่มันไม่ยึดนะเวลาคิดวิธีคิดต่างๆนะเวลาคิดให้เป็นมันก็ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเคล็ดเราเ่าไม่ทุกข์หนึ่งคือคิดให้เป็นะคิดให้เป็นมะันก็ไม่ทุกข์ เ ร, เรื่องเดียวเดีเดยวกันเกิดขึ้นมาถตาปากว่าคิดแบบให้มันทุกข์มันก็ทุกข์คิดแบบไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์นะเรื่องเดียวกันนะบางทีก็มีวิธีคิดต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าบางทีเวลาใกล้ตายก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันนะเช่นแล้วๆเนี้ยก็มีผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้วัยชนนะคุณอูด๊ดนะเป็นคนดีคนหนึ่งนะเป็นนักอลุลตร์ เวลาใกล้าตายเนี่ยต้องให้นักเอาไรอกคนหนึ่งนะ่ยมารับหลวงพ่อมเขียนไปหลวงพ่อเขียนก็เอาแขนไปนหนุนที่ศรีรษะแล้วก็พูดถึงว่าคุณอู๊ดคุณอู๊ดทาดีมาเนี่ยมันมีความดีเป็นที่พึ่งนะเคยทําดีอะไรมาความดีมันก็จะให้เราพึ่งเวลาใกล้าตายให้นึกถึงคุณงามความดีอนนี้ต้องให้หลวงพ่อมเขียนเป็นคนที่ปลุกจิตชีน้นําแล้วก็เห็นรอยความดีที่เอ็งเคยทำมา แต่ผู้ที่ฝึกสตินะ้ำจะมีสติเลิกได้เองอย่างพ่อมเขียนท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลจุราอยู่ในห้อง ICU เนื่องจากมันหายใจไม่ออกจริงๆหมอก็ต้องเอาเข้าห้อง ICU แล้วมีเครื่องหายใจหลวงพ่อก็ยามนึกถึงล่องรอยความดีของน้มีมากเหลือเกินเคยสอนคนมาใครปลูกต้นไม้ เคยรับผิดชอบครอบครัวเงี้ยมันมีรอยดีปรากฏขึ้นมาหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออตอนนั้นหลวงพ่อใจสบายมากเลยจะไปอยู่กับทุกขเวทนานี่มันอยู่ไม่ได้แต่พอมาอยู่กับรอยความดีอยู่รอยบุญนมันอยู่ได้มันเกิดปีติขึ้นมาเพราะฉะนั้นปีติทํา ม, มันเกิดมาให้เราได้เพิ่งหลังจากนั้นท่านก็แหลมลมหายใจบอกว่าต้องตั้งทาาใหม่เพราะว่าเคยรับปากค่ะแม่ไว้ว่าจะต้องตายทีหลังตอนนี้พี่สาวก็ยังมีชีวิตอยู่ จัดจ่ตรงนี้จะต้องแสดงให้ปรากฏแล้วคนก็ยังทุกันอยู่เลยสอนให้คนไม่กรอดเขาก็ยังกรอดกันอยู่สอนให้คนคนสมักสมานสามัคคีเขายังทะเลาะบบาแวงกันอยู่สอนให้คนไม่กินเหล้าก็ยังกินเหล้ากันอยู่สอนให้คนมีสติเจริญสติรู้สึกตัวคนก็ยังไม่รู้จักกันอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องอยู่สอนคนต่อไปคนก็ตัดไม้ตะลายป่าเราต้องอยู่ปลูกต้นไม้กันต่อไปนะหลวงพ่อก็ แหลมลมหายใจตั้งแทดใหม่ค่อยๆแทรกลมหายใจฟื้นพลังขึ้นมาวิชาตั้งททดซึ่งภรกรรมฐานก็จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้กันถ้าจะเลือกตายก็ตายถ้าจะเลือกอยู่มันก็ต้องอยู่เลือกได้หลวงพเข็ญท่านก็เลือกที่จะอยู่จนทังเดี๋ยวนี้ท่านก็แข็งแรงไว้มากใช้เล่นนาของวิชากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าแสดงออกถึงพลังของจิต ที่ท่านฝึกสติมาท่านบอกว่าฝึกมาเมื่อตอนอายุสามสิบมันมาเป็นวันนี้ผ่านมาแล้วสี่ิกว่าปีอายุเจ็ดสิบกว่ามันมาเป็นวันนี้เพราะนั้นที่เราฝึกกันนมันก็จะเป็นวันหนึง่งในวันข้างหน้าของเราที่เราต้องผเผชิญกับการแก่การเจ็บการตายกับการพัดปรากจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมันเป็นวิชาเผื่อใจ เป็นวิชาที่เราจะต้องเหมือนกับว่าได้ใช้แน่นอนทุกคนเพราะว่าเราทุกคนมีความทุกข์เป็นเพื้องหน้าแล้วมีความทุกข์ดักหน้าดักหลังเราอยู่เราะนั้นยามสงบเราฝึกยามสึกเราก็ต้องลบถึงเวลาลบเราก็ลบด้วยมีชั้นเชิงเพราะเราเคยฝึกเคยหัดมาเพราะฉะนั้นเราก็มาอาศัยวัดป่าสุโขทตในช่วงนี้ฝึกหัดปฏิบัติทางจิตกันดีกว่าเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน เรื่องการฝึกจิตเรื่องการเจริญปฐัญเนี่ยทำไว้ก่อนก็จะมีกัลยาณมิตรนะหลายคนหลายท่านท่านก็เลือกเอาเองก็แล้วกันแต่หลวงพ่อเขียนลงมามีภัยหลายรูปหลายท่านก็ดูเอาสนใจเรื่องการฝึกติใกลใครก็สอบถามดูเรียนรู้เรื่การฝึกสติกันก็จะเกิดอริสอ์ขึ้นมานะเกิดผลขึ้นมาเพราะว่ามันมเป็นเรื่องของสัจจะความจริงนะมันมีเราเล่าทุกคนเรืนะ่องตรงนี้นะโกหกกันไม่ได้ ของพ่ออาจารย์ท่านก็พยายามที่จะใช้นะชีวิตของท่านในหลวงพ่อเขียนนะได้ใช้ชีวิตของท่านที่เหลืออยู่นะแสดงออกทางกายวาจาใจให้ก่อนได้มีที่พึ่งต่อไปเราก็จึงเหมือนกับว่าไม่เสียโอกาสกันตอนนี้หลวงพ่อเขียนรู้สึกว่าท่านบวชพราอยู่วันนี้ที่ภูเขาทองผมแล่ธรรมมาก็ไม่ทราบว่าท่านมาที่นี่หรือเปล่าถ้าท่านมาพรุ่งนี้ตอนเช้าบางทีท่านอาจจะ เทศธรรมมาให้เราฟังกันแล้วก็ตื่นมาทําวัดกันตอนตีสี่ประมาณตีสามครึ่งก็ตื่นกันได้แล้วนะเราก็ตีสี่เราก็มาทําวัดจดบันกันอีกครั้งอย่างนี้ย น, นะเอาละวันนี้เห็นว่าปลดมาสมควรแก่เวลานะก็ขอให้พวกเราไดนะ้มาอยู่ที่นี่กันอย่างมีความสุขนะแล้วก็ขาเหลืออะไรแล้วก็บอกบอกกันไปขาเหลืออะไรก็มีโน่นนะสํานักงานไต้ลักมีสยุด บ, บู่สบูยาสีฟันแล้วก็ของใช้ พอผมที่นอนหมอนมุ้งแล้วก็ไปเอาอากาศเย็นสักหน่อยถ้าไม่พอก็เปิดแปวได้เลยเปิดประตูใครที่มีศีลยังไม่มาขอให้มาใครใมาแล้วก็ขอให้อยู่มีความสุขมีความสุขและมีอกาศจินสติจะต้งทําถึงที่สุดแห่งกองทุกให้มาเกิดในบนรรดาชินี้โดยทุ น, นาการทุกท่านเถืด